ถ้าวา่าฆ่าก็ต้องฆ่ดไปหมดฆ่าพิจารณาน้ําเป็นอารมณ์มือเพ่งเอเตเ อ, เ อ, อาโปกสินก็ให้เป็นน้ําไปหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตถ้าจะพิจารณาเตโชกสินก็ให้เป็นไฟไปหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่ต้องเอาอือนอ่นมาแยก ถ้าพิจารณาลมก็ต้องให้เป็นลมไปหมดเสมอภาคกันไม่ต้องเอาคนอื่นมาแยกเรี่อก็ภาวนารวมเรื่องก็ภาวนาไม่สงสัยถ้าจะพิจรารณาร่างกระดูกก็เต็มโลกกย็ยัดเยียดอยู่ด้วยร่างกระดูกให้เห็นอย่างนั้นให้ชัดอย่างนั้น ถ้าจะพิจารณาแต่หนังก็ในโลกนี้บรรจุแต่หนังทั้งหมดอมืก็ต้องพิจารณาให้เสมอภาคกันไม่ต้องลําเอียงถ้าจะพิจารณาเลือดเป็นอารมณ์มีสีแดงๆในตจโลกธาตุก็เป็นเลือดหมดนี่บรรจุเลือดให้เห็นเสมอภาคกันถ้าอย่างนั้นมันจะสงสัยให้มันลงเป็นหนึ่ง นั่นก็ดินนั่นก็น้ํานั่นก็ไฟนั่นก็ลมก็ดินน้ําไฟลมก็นั่นก็อนิจจังนั่นก็ทุกขังนั่นก็อนาาัตตาสิ่งเหล่านั้นไม่นํามาหลงเราเราไปหลงสิ่งเหล่านั้นมันก็มีวิธีย้อนถามตัวเองเหมือนกันสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ยืนยันว่าเป็นของของใครแต่เราไปยืนยัน เมื่อเราไปยืนยันเราเป็นของของเราสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้รับผิดชอบด้วยผมคนเล็บฟั น, นั้งเนื่อเอ็นกระดูกกระมวลกันเราไปยืนยันเราเป็นของเราสิ่งนั้นก็ไม่รับด้วยไม่ปัดด้วยนีหนะ้าที่เป็นไปก็เป็นไปเกิดขึ้นแล้วก็แตกส็ลายถ้าเป็นผมข้าเป็นขนข้าเป็นเล็บของพญาจิตราศ ข่าไม่เป็นเขาก็ไม่ปฏิเสธก็เป็นเรื่องความหลงของจิตใจต่างหากที่ไปยืนยันเขียนแล้วไม่รู้จักรบกินแล้วไม่รู้จักถ่ายสมมติใช่แล้วไม่ถอนสมมติ ลมเข้าลมออกก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นลมพยาจยิตราศข้าพเจ้าเป็นกายพยาจยิตราชเขาก็ไม่ได้ยืนยันข้าพเจ้าเป็นผมของพยาจยิตราชเขาก็ไม่ยืนยันแต่อำหนาาด้วยความหลงไปยืนยันเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสมบัติพัฒนฐานของตนถ้าไม่อยู่ในวงแขนของตนก็เสียใจทีนี้ถ้าอยู่ในวงแขวนของตนบ้างก็ติดอยู่ แต่ก็ติดอยู่ ไ, ม, ไม่ไหวเดี๋ยวก็วิโยคพัดผ่าไปแก่ไปเก็บ ไ, ไปตายไปตามสมมุตินักฟ้องนักหาคือคิดใจเดี๋ยวฟ้องอันนั้นเดี๋ยวฟ้องอันนี้ฟ้องว่าผมฟ้องว่าฝนฟ้องว่าเล็บฟ้องว่าควัน ผมของกูเลยบของกูฟันของกูตาของกูหูของกูแต่เมื่อเวลาแตกสลายเขาก็ไมา่าลาผมจะลาท่านไปละเขาก็ไม่ว่าผมจะแก่นะทีน่นี่พยายจิตตราชผมจะเก็บนะพยายจิตตราชเขาก็ไม่บอกเวลาอีกด้วยจกลงตนไปฟ้องเขาตนเสียงเงินเองตนเข้าคุกเอง เขาไม่รับคดีกับเราด้วยตนห่าไปสมมุติเขาว่าเป็นของตนแต่เขาก็ไม่ได้จํานวนว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแล้วมายืนยันอีกด้วยไม่รับอีกด้วยมเมื่อไม่อยู่ในความสมประสงค์ของตนตนก็โกรธแค้นเมื่ออยู่ในสมประสงค์บ้างก็ติดอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความผิด ความโงค่ความหลงของตนเองคือพยาจิตราศผมจะเป็นผลพยาจิตราศจะเป็นเล็บพยาจิตราศเ อ, อ่อจะเป็นทพยาทวานหนักทวารเบาของพยาจิตราศจะเป็นกะระดูกของพยาจิตราศจะเป็นหนังของพยาจิตราศ จะเป็นไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าของพญาจิตราชเษณเขาก็มายืนยันเนี่ยเขาก็ไม่ปฏิเสธมันเป็นเรื่องของพญาจิตราชกจินปูนต่างหากกัดคอกัดไส้ต่างหากพญาจิตราชเป็นผู้ไข่ คัต้าอีกเหมือนไก่ น, กนี่ขายแล้วคัต้าหรือกะตากภาษาปากลางว่ายังไงไห่ครับกระตาเหมือนกันนะกะตาหรือกะตาภาษาปากางกะตาหรือสูงไหกระตากกะตากนะ ไม่ละเ็ดน ะ, ะ, ะกระตากเราอ่อนภาษาเราไม่เข้าใจภาษาภษาษากลางครับแล้วก็พูดไปบนมาว่บาบาบาไปพี่เจนาดูให้ดีทีนี่ ถ้าอย่างนั้นพยาจิตราชจะไปไม่รอดพยาจิตราชมาหลงเขาเขาไม่ได้ไปหลงพยาจิตราชพยาจิตราชมาบมาสมมุติเอาเขาเป็นบริวารแต่เขาก็ไม่รับไปปัดดินน้าไฟล์ในส่วนกายของมันกันถ้าพระเจ้าจะเป็นเวทนาของพยาจิตราช ข้าพเจ้าจะเป็นสัญญาของพระยาจิตราศข้าพเจ้าจะเป็นสังขารของพระยาจิตราศข้าพเจ้าจะเป็นวิญญาณของพระยาจิตราศเขาก็ไม่ว่าทีานี้เมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปประจางไปจางไป Med, จืดไปจืดไปจืดไปจืดไปจืดไปหตัวจริงไม่ได้ที่างนี้ ค้ากล้ก็พยายับเดตเมื่อเข้าใกล้แล้วก็มาเห็นถ้ามองกลก็เห็นถ้าพอๆๆพิจาากันดีถ้ามันมีแกนสารอะไรที่สำคัญเ่าเป็นแกนเป็นสารก็เพราะความหลงต่างหาก หลงด so mm. ินก็จะได้มาสร้างดินอีกหลงน้ําก็จะได้มาสร้างน้ําอีกหลงไฟก็จะมาสร้างไฟอีกลงลมก็จะมาสร้างลมอีกเอท่องเที่ยวในวตาสงสารใครเป็นผู้ท่องเที่ยวด้วยพระยาคิตราลเป็นผู้ท่องเที่ยวความโง่ความหลงเป็นผู้ท่องเที่ยวเป็นทัศนาเป็นผู้ทัศนาจอมเป็นท่าแห่งสังขานเป็นท่าแห่งความหลง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 เขาแตกสลายไปก่อนจะเอาผลผลและควันนั่งเมื่อเป็นเพื่อนพยากิตตะาด้เป็นไม่ได้เพราะเขาไม่ยืนยันและเขาไม่ปฏิเสธนี่หน้าที่แตกสลายก็แตกสลายไป พยาคิดตลาดเป็นหมาหัวบาดไม่มีที่อยู่นอนมันก็ไม่นอนไม่หลับหลับก็หลับส่วนกายแต่พระยาจิดตลาดมันยังไปอยู่วิญญานมันเป็นหมาหัวบาดมันเที่ยวเร่ร่อนไป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 มันไม่หยุดเลยพญยาคยิตลามันวิ่งอยู่เหมือนนอนเจาะนอนชัยมาเนี่ยต้องเห็นโทษเอาเองนี่แยกกายออกจากใจ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 ที่มันสิงอยู่กับจิตกับใจนี่อดีตเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นอนดีตอนาคตเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นอนาคตปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นปัจจุบันแต่พยาคิสตราชสมมุติใช่แล้วติดอยู่ไม่รู้เท่าสมมติของตนไม่แก้ตนมีแต่ไปเที่ยวหากฟองเขาทั้งนั้น พญ า, า, ากิตตราชนากูสวนกูผมกูฝนกูกเล็บกูควันกูีอย่าไปฟ้องเขานี่ไปฟ้องธาตุสีดินน่มไปลมมาอยู่ฮะในวงแขนของตนไปฟ้องอนิจจังมาอยู่ในวงแขนของตนอนิจจังมีหน้าที่แตกสละจายไปไม่ว่าจะอยู่ใต้อำนาจของพยากิตราชไม่ว่าจะอยู่ใต้อำนาจของของผู้ปราถนาทีนนี้ ตาโกปตินิสตาโมุติอนาลาโย و. จงปล่อยเสือเถิดจงวางเสือเถิดปล่อยอะไรปล่อยความเข้าใจจิตนะวางความเข้าใจจิดนะยัว่าปล่อยเรียวางวางลมก็เป็นแต่สักว่าลมจิตก็เป็นแต่สักว่าจิต พู้ลูก็เป็นแต่สักว่าผู้ลูกอดีตเป็นแต่สักว่าอดีตไม่มีใครเป็นเจ้าของอนาคตก็เป็นแต่สักว่าอนาคตไม่มีใครเป็นเจ้าของปัจจุบันก็เป็นแต่สักว่าปัจจุบันไม่มีใครเป็นเจ้าของตาเป็นแต่สักว่าตาไม่มีใครเป็นเจ้าของตาเป็นแต่สักว่าตาตามสมมติหูเป็นแต่สักว่าหูตามสมมติไม่มีใครเป็นเจ้าของจมูกก็เป็นจมูกตามสมมติไม่มีใครเป็นเจ้าของ ริ่กเหมือนกันกายก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันรูปก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันสัญญาเหมือนกันสังขารเหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันแยกกันเลยแยกออกใชนีหกระจายออกช่ไหเรียกว่ามูนกระจายเรียนมูลกระจายตกลงพยาจิตรราชหยอกเงาตนเองชกมวยกับเงาตนเอง ที่อกทกเสียนกับเงาตนเองเงาความหลงของตนความโง่ของตน ต้องการอยากมาทัศนาจอรอีกพยาจิตตราัต้องเรียนวิชาเข็ดหล่าวเสียอย่มาเที่ยวขับรถอนิจจังอย่ามาเที่ยวขับรถทุกขังอย่ามาเที่ยวขยาายวับรถอนัตตาพยาจิตตราักษณิตัวให้เป็นธรรมอันไม่ตายเสีย ชาติใหม่เกิดในชาติทมอันไม่ตายไม่ยาจิตตลายเดี๋ยวมาเกิดในชาติทมอันที่ตาย ภัยใหญ่ของโลกทุกมีมาจากอันในดทุกมีมาจากอุปาธิคือกิเลสขันธมารมาคือปัญจขันธกิเลส ม, า, ลม า, ลลารมานคือกิเลสที่สังขารมารมานคือที่สังสารมัจจุมานมานคือมาณนะ เทวพุทธมา ร, มารคือเทวบุตรชนะกิเลสมารก็ชนะมารทั้งปวงชนะกิเลสมารเท่านั้นก็ชนะมารทั้งปวงกิเลสมารก็คือความหลงความหลงเป็นมาร เมื่อชนะความหลงแล้วก็กลายเป็นวิชาจารณะสัมปันโนไม่ใช่เอาวิชาก็ตัดวัดตจักรออกความหมุนเวียนความหมุนเวียนแห่งความหล ง, งนี้ถ้าหลงก็ต้องหมุนเวียนถ้าไม่หลงก็ไม่ได้หมุนเวียนเขาบอกว่าโลกกลมมันจริงอยู่ เพราะมันว น, ม, นมันเวียนมันกลมอยู่โลกกิเลสนั่นแหละโลกภายนอกดิน้ำไฟลมยกไว้โลกภายในคือกิเลสโลกกลมโลกหมุนเวียนหมุนมารักหมุนมาชังหมุนโลดหมุนโกรดหมุนหลงมันหมุนอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะวัดผ่าตรงกลางโลกด้ไม่มีใควัดได้หรอก ทำมันไม่ตายก็ไม่มีใครวัดได้ว่ายาวเท่านั้นกว้างเท่านี้เมื่อความโง ful, ไมมไ K ่ไม่มีใครวัดสุนทรขอกุ้งกลางได้ความฉลาดก็ไม่มีใครวัดชุนทขอกุ้งกลางได้เหมือนกันไม่มีประมาณเมื่อความโง่ไม่มีประมาณความฉลาดก็ไม่มีประมาณเมื่อกิเดไม่มีประมาณสิ่งที่ทำให้ใหุดพ้นจากเกิดก็ไม่มีประมาณเหมือนกัน เมื่อย่นจิเลสลงเป็นหนึ่งก็ย่นสิ่งที่จะต่อสู้กับกิเลสลงเป็นหนึ่งคือสินสมาธิปัญญาในปัจจุบันเมื่อขยายิเลสออกก็ขยายสิ้นสมาธิปัญญาออกเมื่อย่นกิเลสลงมาเป็นหนึ่งในปัจจุบันก็ย่นสินสมาธิปัญญาลงมาเป็นหนึ่งในปัจจุบันต่อสู้กัน กอดคอกันใครจชนะทีนี้ชกกันในปัจจุบันเลยสติปัญญากับสิเลย เขาในสนามหลวงคือสนามใจชนะก็ชนะอยู่ที่นี้แพ้ก็แพ้อยู่ที่เมืองไกลชนะก็ชนะอยู่ที่เมืองไกลแต่ชนะสิทธิแพ้ก็ถูกแพ้อยู่ที่เมืองไกลทำดีก็ทำอยู่ที่เมืองไกลทำชั่วก็ทำอยู่ที่เมืองไกล มืดมาเห็นผนก็มือดอยู่ในเมืองไกลมืดถือว่าไม่มีบุญไม่บาปถือว่าไม่ไมไม่มีดีไม่ไม่มีชั่ว จะไม่ให้จะไม่ยอมให้กิเลสเป็นนายหน้ามันของสคัญจะยอมให้ธรรมะของพระองค์เป็นนายหน้าของ จ, จิตใจจะไม่ยอมให้กิเลสเป็นนายหน้านัตถิพาลา ปรินายกาคนผานไม่ใช่คนหัวหน้าบัญชีตาปรินายกาบัณญิตเท่านั้นเป็นคนหัวหน้าคนผานคืออะไรก็คือกิเลสมันผานอยู่ในหัวใจไม่เอามันเป็นหัวหน้าเอาท่านคำคําสั่งสอนของพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศาเป็นหัวหน้า เรี่ปัธิกาปรินายกากาบันทิดเป็นหัวหน้าอาธรรมคำสั่งสอนของพบรมศาสดาเป็นหัวหน้าของพญากิตตราชไม่ยอมเอากรีดเป็นหัวหน้า ึงจะเป็นศิษย์ที่มีครูลูกมีพ่อมีแม่ศิษย์ก็ต้องเป็นศิษย์ที่มีครูคือพ่อบรมศาสตร า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาคำสอนแต่และอย่างละอย่างนี่จะเป็นครูเป็นาศาสด า, าของท่านทั้งหลายพระอานนุ์เธออย่าได้ร้องไห้เลยเธออย่าได้น้มตาไหลเลยทำทั้งหลายเรากล่าวดีแล้วทำเหล่านั้นเอง จะเป็นครูเป็นศาสดาของท่านทางหลายเราไม่มีนี่รับกระพกท่านทางหลายเลยจะมาหวังในเราอะไรอีกชิงไหนเราก็ให้หมดแล้วทํานี่หนนั่นเองจะเป็นศาสดาแทนเราจะทาคตเราจะทาคตก็ไม่ได้สงสัยจะเพ่งโทษตนเองตอนนั้นเราก็ยังมารีเทสให้พุทธบริษัตทฟัง และไม่ยังไม่ได้ปฏิบัติเป็น ย, ย, ย่างหยาและก็ไม่ได้พ้นเป็นย่ยงหยางให้เขาดูเราไม่ได้เพียงโทษเราขัางปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเราบริบูรณ์หมดแล้วเราไม่ใช่เป็นศาสดาโมโหขะพร้อมทั้งเหตุทั้งผลหมดแล้วเราไม่ใช่เป็นศาสดารวงโลกเราเป็นศาสดาจริงแต่เต็มภูมิ ไม่ใช่เราเป็นบ้าอแเราพูดตามจริงของธรรมะโราบร ม, รรมสัจจาศาสนาอื่นๆเขาก็รวงว่าเขาถึงพระรหันต์แต่รสของพระรหันต์เขาไม่ได้ดื่มนะอานนุน เขาเคยหูกลอันปากว่าไปอย่างนั้นเราทาคตรูปพร้อมเห็นพร้อมทั้งพยานเราแตท้าคตก็มีอยู่แลยคุณธัญวัตรปะพัติยะมหานามะพระอรหันต์ก็เป็นพยานเราแล้วพระโสดาบันก็มีแต่สกทาคามีก็มีอนาคามีก็มีอรหันต์ก็มีทั้งสาวกสาวิกาทั้งอุบาสกวาสิกาด้วย พู้ถึงรูโรพุตละมีมากอยู่แล้วเป็นพยานเราสถาคตอยู่แล้วในส่วนปุคธาธิฐานเหตุฉะนั้นเราจึงยืนยันศาสนาเราสถาคตไม่เป็นโมฆะอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยทุกๆพระองค์ด้วยซึ่งเป็นธรรมอันเดียวกันไม่ได้แก่งแย่งกันไม่ได้ตัดพ่อกันเลยไม่ได้แข่งดี ก, กันกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ไม่ได้แข่งทำแข่งวินัยกันไม่ต้องในหาคะแนนแข่งกันไม่ต้องในหาเสียงเป็นทำอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันรถของความโลภมันเป็นยังไง รสชาติของความอยู่ปกติมันเป็นยังไงรสชาติของความเมตตาเป็นยังไงการมิตกกดีพยาบาทวิโตกกดีวิหิงสาวิตกกดีพวกเธอทั้งหลายจงทําให้พี่นาฏเสียเนือ้อย่าอยาอยาให้มีในขันธะฉันดานอบรมศสสาสนาซ้ำซ้ซักซั กามาวิตกความตริในทางกาความส่งเสริมในทางกางพยาบาทวิตกความตริในทางพยาบาทกองร้ายไม้ขวัญอาฆาตจองเวรผูกใจเจ็บมีสงสาวิตกความเบียดเบียนในทางตรงในทางอ้อมทางใกล้ในทางไกลพยันตีกรโลติอนนะภาวังเมนติเธอทั้งหลายจงทําให้พีน้าอย่าให้มีในทั้นรักชั้นดานเถิด จงทำให้พี่นาด้วยปัญญาจงให้เห็นโทษในการมริตกพยาบาทวิตกมิหิงสาวิตกจงให้เห็นคุณในการที่ข่มและพยายามละหรือละได้แล้วซึ่งการมวิตกพยาบาทวิตกมิหิงสาวิตกเธอทั้งหลายละการมริตกพยาบาทวิตกมิหิงสาวรตตขาดกระเด็นแล้วต่อแต่นั้นพวกเธอจะถึงพระนิพพานนะ เปรียบเหมือนไม้ที่อยู่บนบกทั้งแห้งด้วยเธอทั้งหลายจะสีเป็นไฟก็เป็นได้ถ้ามิฉะนั้นแล้วจะเปรียบเหมือนไม้ที่แช่น้ําทั้งเป็นไม้ไว้แห้งด้วยทั้งแช่หรืออยู่ในน้ําด้วยจะมาสีสักเท่าใดก็ไม่เกิดไฟ จงทำกามมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกให้ขาดกระเด็นออกกัดกิดใจเสียเถิดจะแก่เท่าชราสักเพียงใหนก็ตามถ้ามีกามมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกกิดจินใจอยู่ก็เรียกว่าเด็ก จะหัวดําสนิทก็าต า, กามการม่มีตกไม่มีในจิตในใจไม่คืนจิตจิตกินใจพยาบาทไม่ตกไม่คืนจิตจิตกินใจวิหญิงสาไม่ตกไม่คืนคืนยิ้มจิต จ, จินใจเขาเรียกว่าคนแก่เพราะแก่ทำเอาบรมศาสตาพูดเจ็บพูดบวดมาก การภาวนาอสุภะก็เพื่อจะระ ง, งับกามวิตกนั่นเองเพื่อจะบรรเทากามมิตกนั่นเองการภาวนาเมตตาก็เพื่อจะบรรเทาความเบียดเบียนความโหดร้ายนั่นเองการภาวนาอนิจจังทุกครั้งอนัตตาก็เพื่อว่าจะกําจัดโมหะจิตเตออันมีใจหลงนั่นเองเพราะเป็นกรรมฐานอันละเอียดจะละ ระงับกิเลสอันละเอียดอนัตตาทำระงับกิเลสอันละเอียดทุกครั้งอ น, นิจจงอนัตนตาระงับกิเลสอันละเอียดบันเทากิเลสอันละเอียดต่อสู้กับกิเลสอันละเอียดศ <med> ีนต่อสู้กับกิเลสหยาบสมาธิต่อสู้กับกิเล ส, สเลขนาดกลางกองทัพ ร, รม ปัญญาต่อสู้กิเลสที่มีอยู่ในนอนเนือนงในขันดานเรียกว่าอนุใสหรือเรียกว่าสัญโยตหรือสัญโยตก็ว่าสัญโย์ก็ว่าสัญโย์คือเครื่องผูกใจสัตว์ที่เรียกว่าสัญโยตค่ากับเชื่อ เหตุนั้นการพักในสมาธิท่านจึงไม่ให้พักนานจึงให้พิจนารากันให้แตกหักถ้าค่ยกับคนทํางานถ้าไปพักเที่ยงวันมากๆใช้แล้วบ่ายสามบ่ายสี่ก็ยังไม่ลงทํางานมันก็ไม่ได้งานถ้าไม่พักก็ไม่ได้าะไม่มีกําลังคนเราก็เหมือนกันถ้านอนไม่หลับก็ไม่มีกําลังต้องพักซะก่อนให้หลับ ถ้าเวลาไหนก็มาเห็นหลับหลับหลับหับอยู่ไม่ลุกทํางานงานก็ไม่ไม่ได้ทีนี่ท่านใดก็กลับเหมือนกันสมาธิกลม้วนกันให้พักให้รู้จักลดของมันมันมีคุณค่าแค่ไหนสมาธิมีคุณค่าแค่ไหนปัญญามีคุณค่าแค่ไหนทานมีคุณค่าแค่ไหนศีลมีคุณค่าแค่ไหนสมาธิมีคุณค่าแค่ไหนถ้ากลมกลืนกันแล้วก็มีคุณค่าเสมอกัน ถ้าสติปัญญาหยาบสิ้นก็อยากสมาธิก็อยากปัญญาก็อยากถ้าสติปัญญาอยู่ในขณะกลางศิลก็เป็นศิลนขณะกลางสมาธิปัญญาก็เป็นขณะกลางถ้าสติปัญญาแก่ก็ศสิ้ก็เป็นสิ้นแก่ก็สมาธิก็เป็นสมาธิแก่ก็ปัญญาก็เป็นปัญญาแก่ก็คมคลืนกันอยู่ทุกขณะขณะ ค่ากับเราเกิดมาแก่นี่นังก็แก่ผมก็แก่มันแก่ไปพร้อมกันเล็บ ก, ก็แก่ฟันก็แก่กระดูกก็แก่ถ้ามันอ่อนก็อ่อนไปตามกันหมดถ้ามันเริ่มเกิดนีอเกิดมาใหม่ๆที่เรียกว่าเป็นเด็ก ยินดีในทําชนะความยินดีทั้งปวงเวลาปารบทําอยู่บาปไม่มาใกล้หรอกมันกลัวเวลาลืมตัวมันก็มาคำว่าปารบไม่ในหมายแต่ว่าคุยกันเราพิจนาธรรมะอยู่คนเดียวก็เหมือนกัน บาปไม่ค่อยเข้ามาใกล้ได้หรอกกรารมาวิตกก็ไม่ค่อยมีก็ไม่มาพยาบาทวิตกก็ไม่มาเพราะภาวนาอยู่พิธีสาวิตกก็มาไหนนึกเบียดเบียนใครทานนึกทําเป็นอารมณ์เป็นอาหารอยู่มีผู้ไปถามพระสารีบุตรท่านสารีบุตรผมเรียกท่านท่านไม่ได้ยินหรือทำไมท่านจึงไม่ตอบผม เออในเวลานั้นผมกินอาหารอยู่ผมก็ไม่ตอบละท่านพิจารณาธรรมะอยู่การให้ทาน มีหลายประเภทให้ทานในโลกีให้ทานในโล ก, นนโลกละการราคาสินของสมาธิก็เหมือนกันการสมาธิก็เหมือนกันการภาวนาก็เหมือนกันให้ทานเพื่อตอบแทนอันนี้สูก็ไ ม, ม่มากให้ทานถ้าเราไม่ให้เก่งจะไม่มีกูให้อันนี้สมก็ไ ม, ม่มาก ให้ทานเพื่อไปสวรรค์อั น, นิสงส์ก็ไม่มากให้ทานเพื่อตอบแทนอั น, นิสงส์ก็ไม่มากให้ทานตามธรรมเนียมของชาวโลกอั น, นิสงส์ก็ไม่มากให้ทานเพื่อหลุดพ้นในวัฏจักสงสารมีอั น, นิสงส์มากให้ทานเพื่อตอบแทนก็ไม่มีอั น, นิสงส์มากให้ทานด้วยความเกรงใจก็ไม่มีอั น, นิสงส์มาก ให้ทาน้วยแก้ลำคานก็ไม่มีอ น, นิสงสงมากรักษาศีลก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันอะไรเหมือนกันหมดให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อคนทุกในวัตตาสงสารเป็นยอดทานยอดศีลยอดภาวนาจะน้อยหรือมากไม่เป็นปัญหาตามสติกำลังของสายของมัน ดังท่านบอกว่ายอดไม้มันเป็นยอดทานจริงอยู่ในสมมติเก็บผักมานั่นแหละยอดทานท่านพูดให้คนให้เด็กเข้าใจแต่ก็ถูกอยู่แต่มันไม่ถูกในชั้นสูงยอดทานยอดศีลยอดภาวนาคือหวังเพื่อคนทุกข์ในวัฏตจตักรสงสารโดยด่ยวนอย่าว่ายอดทานยอดศีลยอดภาวนา แต่ทักษิณวิสุทธิ์ที่สี่มีอยู่ทักษิณาบางอย่างบริสุทธ์ฝ่ายชายยกไม่ใช่ฝ่ายปฏิคาห์หกทักษิณบางอย่างบริสุทธ์ฝ่ายปฏิภาห์หไม่ใช่ฝ่ายฝ่าชายยก ทักษีนาบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ผู้ให้ทักษีณ า, าบางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ นาดีกล้าไม่ดีก็พอดึงกันได้กล้าดีนาไม่ดีก็พอดึงกันได้นาก็ไม่ดีกล้าก็ไม่ดีก็ดึงกันไม่ได้นาก็ดีกล้าก็ดีก็ดึงกันได้ทักษินาวิสุทธิสิพระบรม ศ, า ศ, า ศ, าศาัสนากาไว้เพราะเกรงพวกเราจะสงสัยกล่าวไว้หมด เพราะมีผู้ไปถามพระองค์การมวรตกจะหายไปด้วยเห็นโทษในการมาวตกพยาบาทวิตกจะหายไปด้วยเห็นโทษในการพยาบาท วิหิงสาวิตกจะหายไปขาดกระเด็นกเพราะเห็นโทษในวิหิงสาวิตกโมหะจะขาดไปกระเด็นไปกเพราะเห็นโทษในเรื่องที่โง่ที่หลงน้อ แ, แม้กล้าจับถานไฟก็เพราะเห็นโทษในเรื่องฐานไฟแดง ใครบอกก็ไม่ลับล้วมือเราเห็นโทษมันแล้วสู้รถรู้ชาติมันแล้วบุคคลผู้ไม่เห็นคุณในการให้ทานจะให้ทานได้อย่างไรก็ไม่ได้บุคคลผู้ไม่เห็นคุณในการนักช า, าิศีลภาวนาก็ทำไม่ลง บุคคลผู้มาเห็นโทษในการที่ไม่มีทานฉิมภาวนาก็จะปฏิบัติทานฉิมภาวนาไม่ได้เมื่อเห็นคุณจึงจะทําได้ถ้าใครก็เหมือนกันบุคคลผู้มาเห็นโทษในวัฏสงสารการต้องการจะเบื่อจะหนา่ายจะคายจะเมาก็ไม่มีประตูจะมาอีกเหมือนกัน บุคคลผู там, ้มาเห็นโทษเกิดก็ต้องการเกิดความต้องการเรื่งของสําคัญบุคคลผู้มาเห็นโทษแก่ก็ต้องการแก่บุคคลผู้มาเห็นโทษเจ็บก็ต้องการเจ็บบุคคลผู้มาเห็นโทษในการตายก็ต้องการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็มีความหมายอันเดียวกันคุณและโทษในไใจโรกทาน เราตถาคตเห็นหมดสิ่งไหนที่มีคุณแล้วมีโทษมาเจือตถาคตว่าเป็นโทษทั้งนั้นสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงตถาคตตัดสินว่าเป็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นสิ่งไหนที่เป็นทุกข์รวนแรงตถาคตถือว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ไหวไม่หยุดใต้อำนาจ ท้าคดเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาชัดสถาคตจึงมีญาณเบื่อหน่ายคลายมาเมาในวัฏสงสารพระอริยาสาวกของส ถ, า, ถาคตก็เหมือนกันเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาชัดทุกๆ ท, ท่านก็พ้นไปได้จะเป็นสุกขวิปัสสโกเตวิชโชชนะเพนโยปฏิสัมพิทัพโตก็าตามก็ต้องมาเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาชัดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบัน เห็นด้วยปัญญาอันทองแท้เห็นด้วยญาณวิมุตต์เห็นด้วยสัมมาญาณนะไม่ใช่มิจฉาวิมุตต์ไม่ใช่ไม่ใช่มิจฉาญาณะรูกผิด ไ, ไม่ใช่มิจฉ า, า, นะาวิมุตต์พ่นผิดเป็นสัมมาวิมุตต์เป็นสัมมาญาณนะเป็นส ม, มาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะบริบูรณ์บริบูรณ์อยู่ที่พระอรหันต์ เห็นชอบแล้วหลุดพ้นแล้วสมาธิบริบูรณ์พระละลาหาันพระโสดารวันเห็นสมาธิเบื้องต้นเดินทางพระตะกทาคามีเห็นขนาดกลางพระอนาคามีใกล้จะจบแล้วพาาระละหันเห็นสมาธิจบแล้วทั้งเห็นพร้อมทั้งปฏิบัติพร้อมทั้งพ้นพร้อม เห็นชอบตามความรุดพ้นเรียกว่ามิมุติยาทัศนะคาถาเกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจค้นจากสิ่ิดสิ้นเึงแล้วคือพระอรหันต์ของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช่ไก่แก้ก๊พลอย ใครๆก็ได้ฟังมาเหมือนกันขณะที่คุ้ยเคียหาอาหารไปพบพลอยเมเนดหนึ่งงานดีมีค่ามากยิ่งพูดไปๆขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้เขาจะเก็บเจ้าไปฝังไวในหัวเวนตามเดิมนี่เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรสู้แต่ข้าวสุขข้าวสารเมเ็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเคียไปในแปลงอืน ที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็ไม่มีวาหาประโยชน์ไม่ได้ชั้นใดก็ดีพระพุทธศาสนามีประโยชน์แก่ผู้รู้จักปฏิบัติมีประโยชน์แก่ผู้เรื่มใส่ศรัทธามีปัญญาถ้าผู้ไม่มีเรื่มใสศรัทธาปัญญาแล้วกหาประโยชน์ไม่ได้หาประโยชน์แก่คนผู้นั้นไม่ได้ พระพุทธศา ส, น, น, สนาเนั้นมีประโยชน์หรือไม่ลถราคาคำว่ า, าไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แก่แก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติแก่ผู้ที่ไม่ยินดีดองมองดูหน้าดูตากันถนัดก็พระมีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามองดูหน้าดูตากันไม่ได้ มึงเก่งวะ่ะโอ้เลยคุณลงุงคุณป้าคุณหน้าคุณอาคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมีอยู่ตาบใดพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ตามนั้นอะไรก็สหายไปหมดมันก็ไม่ถูกเดี๋ยวจะเป็นสหายกับพ่ออีก เดี๋ยวจะเป็นสหายก้าพสะมมาทิพยเจ้าอีกพูดน้อยไม่พอใครพูดหลายเป็นโทษแต่เป็นสหายบางอย่างเพื่อนแก่เพื่อนเก็บเพือเพอเพ่อนตายได้อยู่ส่วนคุณวุฒิจะเป็นสหายไปหมดมันก็ไม่ถูกส่วนเป็นสหายในทางเกิดขึ้นแล้แปลปวนแล้แตกสลาย น, น เป็นเพื่อนแก่เพื่อนเก็บเพื่อนตายด้วยกันอันนั้นถูกจะเป็นสหายไปจนถึงคุณวุฒิมันก็ไม่ถูกหรือวัยมันก็ไม่ถูกเหมือนกันบิดาก็บิดาเต็มภูมิปูก็ปูเต็มภูมิย่า ก, ก็ย่าเต็มภูมิไม่ใช่ว่าเราจะไปเขกหน้าเล่น ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคุณค่าอยู่เราจะทำคุณค่าให้เสมอกันก็ไม่ได้ใบแบบงใบละห้าบาทใบละสิบบาทใบละยี่สิบ ใบละร้อยใบละห้ารอใบละพันก็มีคุณค่าต่างกันใครไปแบ่งท่านวันนะให้มันเพราะราค า, ขาบแบ่งเองพุทธธรรมประสงค์มีคุณค่ามีอตามเดิมใครไปแบ่งท่านวันนะให้ก็คุณสมบัติในตัวแบ่งให้เอง มไม้ไผ่กับไม้สักที น, นี้อันไหนมีราคาก็ไม้สักมีราคากว่าเพราะคุณชอหมัดไม้สักมีกว่าไม้ไผ่ทองคำกับตะกั่วก็เหมือนกันไม่มีใครแบ่งชั้นมันละให้หรอก หากว่าเสมอกันหมดจนไม่มีขอเพตนี้จนไม่มีคุณวุฒโววายวุฒโธอย่างนี้ก็ไม่มีใครยอมกราบไหว้กันและไม่มีใครยอมให้ค้นทางกันถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแทรกแสงอยู่ในโลกเสียงด่าเสียงแช่ง เสียงร้องไห้เสียงตากแท้งเสียงปืนเสียงลูกระเบิดปรมาณูเสียงคลอนมันจะเท่าวีคูณมารุดเข็นกันกับสุนัขเข็นกันไม่แปลกตัวนักแข่งแรงก็กัดกัน ลูกใครเมียใครก็ไม่มีหัวใครก็ไม่มีเขาไม่ต่างกับศักที่เด็านพอมีระเบียบเรียบร้อยอยู่ว่างก็พระมีพระพุทธศาสน า, า, า, าแสกแซงอยู่ในโลกเมื่อมีความผิดความถูกอยู่ตราบใดพระพุทธศาสน า, า, า, าก็มีอยู่ตราบนั้น เมื่อมีดีมีชั่วอยู่ตามใดพระพุทธศาสนาคงมีอยู่ตามนั่นแต่คนพานเอาเป็นประมาณไม่ได้สิ่งที่ไม่ดีมันว่าดีก็มีสิ่งที่ชั่วมันว่ามันว่าดีก็มีสิ่งที่ดีมันว่าไม่ดีก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้มันไม่เหมือนหน่กกาาทุกสิ่งทุกอย่าง พวกเราจะสึ้นความสงสัยมากมายจะมีหน้าที่แต่ตั้งปฏิบัติภาวนาพื่อบรรุทุกเท่านั้นอเองาสิ่งพวกกินนากะาทางอ้อมก็สึ่งความสงสัยไปมากแล้วมีแต่ยกุงต่อสู้เท่านั้น ต่อสู้กับกิเลสพวกเราต่อสู้กับความหลงพวกเราเท่านั้นภาวนากำกับอยู่ไม่ต้องเสียดายหลับพระโมกขลาทำความเพียรไปสัปรโหงก่ที่บ้านกันระวานและมุตตคามพระบรมศาสด า, า บ, บอก โมกคันลาท่านงูก้วงเราจะทาพจน์จะบอกวิธีแก่งูก้วงให้เธอจะเอาไหมเอาก็จะพาถ้าหากว่าเธองวก่วงเธอจงเดินจงกรมกลับไปกลับมาอย่าคิดไปในทายนอกตั้งสติอยู่กับก้าวออกเดินกลับไปกลับมาเธอก็จะละความง่วงได้ถาละยังไม่ได้ เธอจงเอานา้ำลุกในตาแล้วเงี้ยนดูดาวทั้งสี่ทิศเธอก็จะละความง่วงได้ถ้าละยังไม่ได้เธอจงนอนตะแคงข้างขวาซ่อนฝ่าผ้าายเหลื่อมกันตั้งใจจะลุกดูเสมอเสมอ พอเราเพิ่มไปพอเราตื่นขึ้นเราก็จะลุกทำความเพียงให้นึกอย่างนั้นเสมอๆทำท่าจะลุกอยู่อันนี้ก็จะละได้ถ้ายังละไม่ได้เธอจงลูกตัวด้วยฝ่ามือและมีสติอยู่ที่มือลูกไปลูกมาลูกไปลูกมามีสติอยู่ที่มือเธอก็จะละความง่วงได้ ถ้าละยังไม่ได้เธอจงท่องบ่นมนของเธอที่ยเยียนมาแล้วให้คล่องชมกขลาก็พยายามทำตามพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศ า, ศา ก็หายความง่วงและก็ได้สำเร็จพระหรหัสในวันนั้นอีกอย่างหนึ่งเราจักมายินดีในการเอ็นข้างเอยนหลังขอให้เธอสำนึกอย่างนี้เราจักมายินดีในการเคลิ่มนหลับขอให้เธอนึกอย่างนี้ ก็จะหายง่วจะได้ทำความเพียรต่อไปพระอนุรุทธะได้ยี่สิบห้าพันสามาในหลับเลยพราะองค์ท่านเพ่งแสงสว่างเป็นอารมณ์อโรถกัสญญาก็เพ่ง ทำจิตสัญญาจำกลางวันว่ายอย่างไรลักษณะของกลางวันเป็นอย่างไรเธอจงเพ่งจำลักษณะของกลางวันอย่างนั้นการม่วงก็ไม่มีเรียกว่าอโลกะสัญญาอโลกะตกสินก็ว่า วันคืนไม่ล่วงไปเฉยเฉยชีวาตักใสก็ล่วงไปด้วยวันคืนก็ไม่ได้ล่วงไปมีแต่มื่อับสวางแต่ชีวาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่สมมติว่าเป็นเราเรามันล่วงไปพุทโธเป็นอนัตตาคุณคุณอันไม่เกิดไม่ดับ พิจารณาลงถึงอนัตตาก็ได้แต่ไม่ใช่อนิจจังคุณแต่ไม่ใช่ทุกขังคุณแต่เป็นอนัตตาคุณเพราะอนัตตาคุณอันไม่เกิดไม่ดับคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของพุพทพธโธไม่เกิดไม่ดับไปไหนหรอกมันเกิดดับแต่ผู้บริกรรมและลึกถึงนั่นเองขาดขาดวิ่นวิ่นคุณของพุโทโธไม่เกิดไม่ดับไปไหน บุคคลผู้เรื่อมใสในพุทธโธก็คือผู้จะแน่นหนาในศรัทธาเชื่อพ ร, พระพุทธธรรมประสงค์นั้นไม่ใช่อื่นใครเลยผู้ใดเจริญพุทธโธผีในใจโลกธาตุจะไม่มาใกล้มีอานิสงส์สิบสามประการ เมตตามีอนิสงส์สิบเอดประการมรณสตินั่ถึงความใจจะมาถึงตนมีอนิสงส์ไม่มีประมาณอาณาปานาสติมีอนิสงส์สามสิบประการกายยกตาสติมีอนิสงส์ยี่สิบเอ็ดประการผู้สําเร็จพระผลิพผานด้วย ภาวนาพ mm, ุทโธก็คือพรวักกัิยองค์หนึ่งมีหลายองค์อยู่เหมือนกันดีเดิพุทโธนั่นแหละเท้าก็ขาเก้าออกเดินกลับไปามาจะกับขวากั๊ปซ้ายก็แล้วแต่ถนัดเลยไม่เป็นปัญหาดอกพุทโธครับเ้าขาข้างหนึ่งพุทธข้น่โธต้องการหายใจเท่าหาใจออกเท่า ถูกถูกบ้างกันยิ่งดียิ่งดีงดน้ำระยะทางต้องอยาวถ้ามันมีถ้าหากว่ามันอำนวยถ้าหากว่าอำนวยก็นับแต่ห้าวาขึ้นไปที่สี่วาแต่ว่าเอาเป็นกำหนดไม่ได้ในข้างพุทธการนะถ้าที่ไม่อำนวยบางทีนางพิษุนีองค์หนึ่งวันนั้นฝนตก ท่านไปเดินยงกลมไม่ได้ท่านก็กอดต้นเสาเดินเวียนภาวนาก็าําเร็จภารหันแต่ว่าทําเนียมของหลวงปู่มั่นเคยเห็นท่านทําในระหว่างประมาณยี่สิบเก้าเพราะลูกสิบมาก พระวัดมะวัดกว้างมีพระมากถ้าจะไปทำเนียดยาวมันก็ไม่มีที่จะให้องค์อื่นแต่ในพระไตรปิฎกเห็นบางท่านในพระไตรปิฎกในเทราประวัตินั้นบางท่านหกสิบสอง